ในการพูดกันครั้งสุดท้ายนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อจะเป็นการพูดอย่างรวบยอดหรืออย่างทรงท้ายอย่างสรุปก็ได้แล้วแต่จะเรียก มันเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนจึงได้เอามาพูดเป็น เ, ออเรื่องสุดท้ายสำหรับมันเป็นหลักออใช้ทั่วไปตลอดการเลยก็ว่าได้้ว เ, เป็นที่สรุปหมดออของทุกเรื่อง คือทุกๆเรื่องที่จะพูดต่อไปหรือพูดมาแล้วมันก็สรุปอยู่ในเรื่องนี้่ะเป็นเพียงคำพูดคำเดียวถ้าถ้าเข้าใจถือเอาไว้ได้จะเป็น ผลมากจะมีผลมากฮะทาลองทายดูก่อนก็ได้ว่าจะจะพูดว่าอะไรจะได้แก่คำว่าอะไรถ้ามาเชื่อว่าคงทายผิดไม่เชื่อก็ลองทายก่อนดีว่าจะมาจะพูดว่าอะไรคำเดียว สำหรับหมดทุกเรื่อง <c oughs> ถ่ายถ่ายแล้วนะจะบอกว่าคำเดียวคำนั้นคือคำว่าผัสสะถูกไหม <c oughs> ถายถายถูกบ้าง <c oughs> คือเรื่องผัสสะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบหมดในบรรดาธรรมะ ธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอะไรก็ตามมันไปรวมอยู่ที่คำคำเดียวมันเหมือนกับเป็นขั้วของเรื่องเป็นต้นขั้วของเรื่องคือคำว่าผัสสะถึงจะมีคำให้ท่องจำง่ายง่ายเกี่ยวกับผัสสะนี่ว่า ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่ง่อเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะ มันไปรวมอยู่ที่คำว่าผัสสะคำเดียวก็เหลืออยู่แต่ว่ารู้จักหรือเปล่าว่าเรื่องผัสสะนั่นคืออะไรคำว่าผัสสะผัสสะนี่คืออะไรจริงๆก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำแต่จะไม่สนใจก็ได้คำว่าผัสสะแปล ว, ว่าเกิดทบ คำไมก้กลางกลางแปลว่ากระทบในภาษาธรรมะนี่หมายถึงกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางผิวหนังกระทบทางใจเองรวมเป็นหกทาง <c oughs> ในหกทางนี้เป็นเรื่อง ที่ต้องศึกษาเบื้องต้นเบื้องแรกทีเดียวขัตสาหก็เกิดมาจากการกระทบหกทางนี่ถ้าจะเรียนกันอย่างถูกต้องแท้จริงก็ให้ถือว่าไอ้เรื่องตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันคือกอขอกอขอกอกาหรือเอบีซีก็ได้ ของพระพุทธศาสนาเรื่องตาหูจมูกลินกายใจเป็นเรื่องต่อคือเรียนทีแรกของพุทธศาสนาเพราะมีตาหูจมูกลินกายใจมันจึงมีผัสสะมีอะไรมากระทบทางตาก็เรียกผัสสะทางตากระทบทางหูเรียกผัสสะทางหู เมื่อมีมีรูปข้างนอกมากระทบตาก็เกิดการเห็นทางตามีเสียงมากระทบหูก็เกิดความรู้สึกทางหูและยินทางหูมีกลิ่นมากระทบจมูกก็รู้สึกทางจมูกรู้กลิ่นทางจมูกมีรสมากระทบลิ้ น, นก็รู้รสทางลิ้ น, นกระทบผิวหนังนก็รู้สึกสัมผัสผิวหนัง กระทบจิตก็รู้สึก จ, จ, จิตไอ้คามรู้สึกทั้งหมดนี่เราเรียกว่าวิญญาณอา น, นาคังนอกมากระทบอา น, นาคังในก็เกิดวิญญาณคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมร่มากระทบตาหูจหมูกลินกายใจก็เกิดจัตุวิญญาณโสตะวิญญาณคนะชิวญาตชิวหาวิญญาณกายะวิญญา ณ, าญญาณมโนวิญญาณนั่นแหะกอขอกอกา ก็ แ, แจกลูกได้อย่างนั้นนี่ตรงที่มันรู้สึกกันอยู่ทาหน้าที่รวมกันอยู่รู้สึกกันอยู่ระหว่างสามสิ่งเนี่ยเช่นทางตาตาด้วยรูปด้วยจักสูวิญญาณด้วยทาหน้าที่รวมกันอยู่ก็คือจักสูวิญญาณมันรู้สึกรูปโดยตาทางตาเหลือสามสิ่ง ถึงกันอยู่เนี่ยเรียกว่าผัสสะนีก่กระทบทางตาทางหูก็เหมือนกันในหูด้วยมีเสียงด้วยแล้วมีจักโสตเวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็มัน ม, มาถึงกันนี่แล้วก็โสตเวิญญาณมันรู้สึกต่อเสียงอยู่ทางหูนี่เรียกว่าผัสสะทางหูที่ก็มีผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางผิวหนังผัสสะทางจิตเองใจเอง เรียกผัดสะทั้งหมดนั่นน่ะทั้งหกอย่างนั่นก็เรียกผัดสะทำเดียวนี่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้ผัดสะตัวเดียวสิ่งเดียวนี่เป็นที่ออกมาของเรื่องทั้งหมดต้องรู้จักผัดสะ โดยจิตใจของตนเองซะก่อนที่ว่าเมื่อเมื่อมีผัสสนะรู้สึกรู้จักมันอย่าฟังแต่คําพูดหรือหนังสือเพราะทุกคนมีผัสสะอยู่ทุกวันแทบจะตลอดวันน่ะไม่ตาก็หูไม่รูก็จมูกริมกายใจมีอยู่ขอให้ทำความรู้จักผัสสะตัวจริงโดยตรงซะก่อนอย่าสักแต่ว่าเป็นคําพูด ทีนี้ก็ดูผัสสะว่ามันเป็นจุดรวมของทั้งหมดอย่างไรเอาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมกรร ม, กรรมการกระทํานี่มันก็เกิดจากผัสสะผัสสะต้องการผัสสะคราแลแวต้องการอะไรมันก็ทำกรรมอย่างนั้นแหละเราไปาสัมผัสอะไรข้าว ถูกใจมันก็ทำกรรมที่จะเอาไม่ถูกใจมันก็ทำกรรมที่จะทำลายจึงกล่าวได้เป็นครั้งแรกว่าผัสสะให้เกิดการกระทาเกิดการกระทากรรมกรรมทั้งหลายกรรมดีกรรมชั่วไม่ดีไม่ชั่วกำทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเล็กใหญ่อะไรก็ตามผัสสะนะเป็นต้นเหตุให้กระทำเราไปผัสสะในข้าวแล้วมันก็ รู้สึกค่าของสิ่งนั่นแล้วมันก็อยากแล้วมันก็ทำนี่เรียกกันว่าไอ้กรรมทั้งปวง ม, มีผัสสะเป็นปัจจัย <c oughs> นี่จะให้ละเอียดขึ้มาก็ว่าสังขารสังขารคือความคิดการปรุงแต่งทางจิตในรูปของความคิดเรียกว่าสังขารเราไปผัสสะอะไรข้าวแล้วเราจะเกิดความคิด <c oughs> เกี่ยวกับผัดสะนั่น ก็เรียกว่าการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยคือสังขารเกิดมาจากผัดสะจ <c oughs> หรือว่ากามทีนี้เอามาถึงกามกามแล้วก็กามอารมณ์ของกามคือรูปเสียงสินรถกฎถพาที่น่าพอใจใ้ตัวกามเองคือกิเลสที่ รับพอใจกำหนัดไปตามความตรึกตรึกกำหนัดพอใจไปตามอำนาจความตรึกตรึกตรึกตรึกเนี่แหละนั่นคือตัวกิเล ส, สกามมันต้องมีผัสสะในสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจพอใจเป็นที่ชอบใจมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกาม ในภายในและปัสแวนหาเหยื่อของกามภายนอกคือรูปเสียงสินรสกฎถพัพพะที่เป็นที่พอใจถ้าไม่มีผัสสะความรู้สึกที่เป็นกามเกิดไม่ได้จึงพูดได้ว่ากามทั้งหลายมาจากผัสสะเกิดจากผัสสะทีนี้ทีมันละเอียดยิกว่านั้นก็ว่าเวทนาเกิดจากผัสสะนี่เป็นบทที่ ได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าเพราะมีผัสสะก็มีเวทนาเนี่ยที่เกือบไม่ต้องอธิบายแล้วพอมีผัสสะก็เวทมีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกมุสุขเวทนาถ้ามีเวทนามันก็มีตัณหามีความอยากไปตามความหมายของเวทนาเวทนาพอใจก็อยากได้เวทนาไม่พอใจก็อยากฆ่าอยากทำร้าย เวทนาที่ยังไม่รู้ว่าอะไรก็สงสัยติดพันไปตามเรื่องมันพูดได้ว่าเวทนาทั้งหลายมาจากผสัสสระครือตัณหาทั้งหลายก็มาจากผสัสตระเวทนาะคือสิ่งที่เลวร้ายในทางบังคับมนุษย์สหัวสคอมนุษย์จะไปทำอะไรได้ตามหน้าของเวทนา พระเวทนาเกิดตัณหาตัณหามันเป็นเรื่องจักจูงไปตัณหาก็มาจากผัตสะเวทนาก็มาจากผัตสะนี่สัญญาสัญญาความสําคัญอะไรว่าเป็นอะไรสําคัญมันหมายด้วยความจําก็ได้ด้วยความหมายมั่นก็ได้สัญญาว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันก็มาจากผัตตสระสัญญาว่าสุขก็มาจากผัสะสระ ที่พบสุขเวทนาสัญญาว่าทุก้มาจากภัตตาที่เป็นทุกขเวทนาคำสัญญาว่าผู้หญิงก็กขาสัมผัสผู้หญิงคำสัญญาว่าผู้ชายก็กขาสัมผัสผู้ชายสัญญาทั้งหลายมีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างล้วนแต่มาจากผสัสตะคือการกระทบ ทีนี้ก็มาถึงทิฏฐิรู้สึกอย่างไรสำคัญมันหมายอย่างไรก็มีทิฏฐิว่าอย่างนั้นเราสัมผัสสิ่งไรด้วยจิตใจมันก็เกิดผลสรุปความว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสัมผัสผิดผิดมันก็เกิดทิฏฐิผิดผิดสัมผัสถูกต้องก็เกิดทิฏฐิถูกต้อง ใจของเขาไปสัมผัสสิ่งใดมีผลกระท้อนออกมาอย่างไรก็สร้างทิฏฐิเช่นนั่นแก่บุคคลนั้นๆอย่างว่าเราสัมผัส อ, อคำสอนว่าตายแล้วเกิดหรือว่าเราสัมผัสอาณาจิลึกไปกว่านั้นที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าตายแล้วเกิดแล้วก็มีทิฏฐิว่าตายแล้วเกิด ในจมกันข้างกาตายแล้วศูนย์หรือสัมเกิดทิฏฐิว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจิตมันไปสัมผัสเข้าที่อะไรผิดถูกอย่างไรนี่ทิฏฐิทั้งหลายที่เรียกว่ า, กกาหกสิบสองปัจจานะล้วนแต่มาจากผัสสะฉันตื่นฉันลึกชันละเอียดฉั้นหยาบล้วนแต่มาจากผัสสะนรู้จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเนะี่ย ที่นี่ก็จะสรุปความว่าโลกทั้งโลกทั้งโลกไม่ว่าโลกไหนโลกข้างนอกโลกข้างในโลกหยาบโลกละเอียดทั้งหมดทุกๆโลกมันมาจากผัสสะถ้าไม่มีผัสสะต่อสิ่งนั้นนันแล้วก็ไม่มีโลกอนี้ตาของเราเห็นอะไรก็คือเห็นนี่นี่คือโลกทางตาหูไดยยินเสียงอะไรก็คือโลกทางหู จมูกได้กลิ่นอะไรก็คือโลกทางจมูกรถมีรส อ, อย่างไรก็เรียกว่าโลกทางลิ้นโลกทางลิ้นโลกที่สัมผัสโดยลิ้นอะไรมากระทบผิวหนังรู้สึกนั่นคือโลกที่ผิวหนังที่มากระทบผิวหนังที่ใจรู้สึกอย่างไร ก็เป็นโลกที่ใจสัมผัสหรืรู้สึกวิืัยสร้างขึ้นถ้าไม่มีอัตถะโลกก็ไม่มีมันก็มีค่าเท่ากับไม่มีถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะรู้จักอะไรทั้งหกอย่างเหล่านี้ได้นะมันก็เท่าเทกับไม่มีนะีนี่เพราะมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดความรู้สึกสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็มีโลกขึ้นมาครบทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าถ้าถ้ามันไม่มีผัสสะเพราะมันไม่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีผัสสะแล้วโลกนี้ก็ไม่มีก็เท่ากับไม่มีแม้ว่ามีอยู่ก็เท่ากับไม่มีเอาละถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งมันยังไม่ตายแล้วแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกอย่างถ้ามันไม่ทําหน้าที่เอนั่นก็คือไม่มีโลกนั่นเอง ฉะนั้นจึงว่าโลกโลกทั้งหมดโลกทั้งปวงก็มาจากพักษะอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้โลกทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกโลกโลกทั้งหมดก็มาจากาพัทธะมีต้นเหตุมาจากพัทธะ เป็นสิ่งที่อข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเห็นและได้ด้วยด้วยปัญญาคัเพียงแต่อ่านหนังสือเพียงเห็นหนังสือนี่มันมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงตัวจริงต้องเห็นด้วยปัญญาว่าพัสนาให้เกิดกรรมคือการกระทําำว่าพัสนาให้เกิดสังขารการปรุงแต่งการคิดการนึกซึ่งเป็นเหตุธรรมข้าม ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกามกามมีความหมายมีคุณค่าเพราะว่ามันมีผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาสุขทุกข์แล้วก็ผัสสะก็เลยให้เกิดตัณหาไปตามเวทนานั่นผัสสะให้เกิดสัญญาความมันหมายอย่างไรมั่นหมายที่ไหนมั่นหมายเมืม่อไรมันก็เพราะมีผัสสะเอ๋ผัสสะให้เกิดสัญญา นึกผัสใจเกิดทิฏฐิความคิดความเห็นตามที่มันมันจะสัมผัสได้อย่างไรนึนกตาบอดทำช้างมทำถูกตรงไหนมันก็มีความคิดอความเห็นว่าช่างมีรูปร่างอย่างนั้นในที่สุดวันโลกทั้งพวงมาจากผัสสะเป็นโลกขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันมีผัสสะคือมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นหายใจ ทุกอย่างเนี่ยสรุปเหลือคำเดียวว่าผัสสะความ ท, ทุกข์ก็เกิดมาจากผัสสะความไม่ทุกข์ก็เกิดมาจากผัสสะที่กระทำถูกต้องจริงๆให้หลักเกณฑ์ว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิด เรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนี่เรื่องภัสสะคําเดียวแต่มันครอบไปหมดทุกเรื่องทีนี้ที่ต้องดูก็คือเมื่อมีผัสสะนั้นน่ะมันเป็นผัสสะโง่ หรือเป็นภัสสะฉลาดใช่ไขณะแห่งภัสสะนั้นมันมีวิชาหรือมันมีอวิชาอวิชาแปลความรู้แจ้งที่ถูกต้องวิชาแปลว่าไม่มีความรู้แจ้งที่ถูกต้องฉนถ้าในขณะภัสสะเรามีวิชาความรู้แจ้งที่ถูกต้องก็ยังผัสสะนั้นเป็นภัสสะฉลาด เป็นภัสสะลืมตาแต่ถ้าว่าในขณะนั้นมันไม่มีวิชาท้นเลยมันก็มีโง่เป็นภัสสะโง่เป็นผัสสะหลับมันก็ตรงกันข้ามภัสสะตื่นหรือภัสสะอวิชภัสสะวิชามันก็ทำถูกต่อไปถ้าภัสสะอวิชาโง่มันก็ทำผิดต่อไป ถ้าทำผิดต่อไปมันก็ได้ไปพบกันกับความทุกข์ถ้าทำไม่ผิดทำถูกตามเรื่องตามราวตามกรณีแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์เนี่ยจึงบอกว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเรื่องผัสสะคือเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โกรถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะคุณเจอเอาไปสังเกตดูดีถ้าเราไม่โง่ ในคณะที่เป็นผัสสะือมีผัสษะแล้วไม่จ้องตัวไม่มีความทุกข์ไหนเกิดขึ้นมาได้เพราะความฉลาดในกรนังผัสษะนมันจัดให้ทำถูกให้เป็นไปถูกเป็นไปอย่างถูกต้องการกระทาก็ดีการพูดจาก็ดีการคิดก็ดีมันถูกไปหมดมันก็เลยไม่ไม่เกิดทุกข์ ความทุกข์ไม่มีทางจะเกิดเกิดไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องผัสสะอย่างครบถ้วนนั่นเลยพูดได้มันเป็นเรื่องเดียวคำเดียวและเรื่องเดียวท่านเป็นเรื่องของทั้งหมดแต่มันอาจขยายความออกไปได้มากเรื่องจนกระทั่งว่าแปดหมื่นสี่พันเรื่องในพระไตรปิฎกไม่รวมจุดอยู่ที่ผัสสะ ต้นตอของมันอยู่ที่ผัสสะจะเกิดวิ ช, ชาหรือเกิดนวิ ช, ชาก็ต้องเมื่อมีผัสสะถ้ายังไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดวิ ช, ชาหรือเกิดนวิ ช, ชาหมายความว่านวิ ช, ชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะวิชาจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็มันเมื่อผัสสะถ้ามันเป็นโอกาสเป็นเวลาเป็นที่หรือเป็นแดนอายกตาม ที่จะให้วิชาให้อวิชาแสดงบทบาทออกมา <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าเราโง่เมื่อไรก็ได้เราฉลาดเมื่อไรก็ได้ <c oughs> มันไม่ได้หรอกมันมันมันจะมีได้แต่เมื่อเมื่อมีผัสสะเท่านั้นแหละเพราะถ้าไม่มีผัสสะมันไม่มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่รู้สึกไม่คิดไม่นึกอะไร มันก็โง่หรือฉลาดไม่ได้พอมีผัสสะมันก็มีเรื่องมีเหตุให้ต้องคิดต้องนึกต้องกระทำต้องอะไรในความผิดถูกมันก็จะเกิดขึ้นที่นี่ในความรู้หรือความไม่รู้มันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นในขณะผัสสะถ้ามีวิ ช, ชามามันก็เป็นเป็นผัสสะลืมตาถ้าไม่มีวิ ช, ชามา อาวิชามก็เข้าสวมแทนมันก็เป็นผัสสะหลับตาคือโง่คือมืดคือบอดขอทุกคนพักใจขอนนี่แล้วรู้ให้ดีว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะาระมัดระวังอย่ายเผลออย่ายพลาดได้เรามีผัสสะแล้วก็มีสติ เพราะว่าสติน่ะจะเป็นที่ขนพา เ, าเอาวิชามาถ้ามีสติมันก็จะเปิดโอกาสให้วิชาเข้ามาในผัสสะถ้าไม่มีสติก็เป็นโอกาสของอวิชาที่จะเข้ามาผสมกับผัสสะเรามีสติให้ทันเวลาเมื่อมีผัสสะ ซึ่งมันก็เร็วมันก็สายฟ้าแลบมันเร็วมันก็สายฟ้าแลบก็ต้องมีสติืทันกับเวลาช่องสังเกตดูพอมีอะไรมากระทบเนี่ยเราไปรู้สึกตัวต่เมื่อเรารักเสร็จแล้วเราโกรธเสร็จแล้วเราเกลียดเสร็จแล้วเรากลัวเสร็จแล้วหรือว่กากระทั่งเราไปทำอันตรายเขาเขาเสร็จแล้วมันไม่รู้สึกตัว ในขณะนงังผัดสะทันทันเวลาสายปลายมันมีอวิชชาเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นมีการกระทาเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไปรับผลการกระทาแล้วจึงไปรู้สึกมันต้องไปร้องไห้เสียใจทีหลังเพราะว่ามันควบคุมผัดสะไม่ทนนันการที่ฝึกสติ ไว้ให้มากให้พอให้เร็วนั่นหนะจะช่วยได้คุณไปศึกษาเรื่องฝึกสติฝึกสติว่าให้มากให้เร็วแล้วจะมาทันในเวลาผัสสะผัสสานั่นก็จะเป็นผัสสะของวิ ช, ชาเป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้นถูกต้องมันก็ปรุงไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ ถ้าเราไม่มีสติเลยก็หมายความไม่ได้รู้สึกเรื้อลึกอะไรได้เลยมันก็หลับ <c oughs> ก็หลับมาหรือโง่ไปตลอดการมันก็ปรุงไปทางเกิดทุกข์นี่คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาสามัญในชีวิตของคนเราทั้งโลกทั่วโลกทุกคนทุกแห่งทุกโลกลไปทำไมโลกเทวด า, าก็เหมือนกันนะ ถ้าฉลาดไม่ทันเวลาแล้วก็ก็ต้องเกิดเรื่องคือเป็นทุกข์พรสิทธฝรังสอนเด็กๆก็เหมือนกันเลยครับอนนี้ be wise in time ฉลาดให้ทันแก่เวลาแต่เขาสอนกันเรื่องอื่นๆตำๆำนะแต่มาใช้กับเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็ไดนะ้คือฉลาดทันเวลาของอัตตะ ก็ควบคุมพัาธะได้มันก็เป็นไปแต่ในทางถูกต้องนี่เป็นเรื่องทั้งหมดเห็นไหมทุกเรื่องมันอยู่ที่นี่ที่เราจะได้ทุกได้สุขมันก็อยู่ที่ว่าทำผิดทำถูกเกี่ยวกับผัทสะทุกเรื่องมันมันรวมสรุปได้ว่าเป็นเรื่องที่ ดีหรือไม่ดีนะมันก็อยู่ที่ผิดหรือถูกเมื่อภาษาแต่พูดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจ ะ, ะปลอดภัยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ในทางภาษาพระพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยพูดว่าดีหรือไม่ดีท่านไม่พูดท่านพูดว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ <c oughs> อย่างนี้แน่นอนกว่าชัดกว่าจะไม่เรียกว่าดีหรือไม่ดีจ ะ, จะเรียกว่าเป็นทุกข์นี่พวกหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นี่พวกหนึ่งจะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าทำผิดหรือทาถูกเกี่ยวกับเรื่องพัฒนานี่เองขอให้มองเห็นเป็นสันทิทิโกไม่ใช่อ่านหนังสือที่เขาเขียนหรือฟังพู้เทรามาพูด อย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่เป็นสันทิติโก่ต้องไปศึกษาลงไปที่เรื่องของมันจริงๆภัิสัจจริงๆแล้วก็เห็นภัิสัจจริงๆเห็นการปรุงแต่งของภัิสัจจริงๆถึงกับสะดุง้ง <c oughs> นี่เรียกว่าเห็นอย่างเป็นสันทิติโกเห็นด้วยความรู้สึกแห่งใจสัมผัสด้วยใจรู้รสแห่งสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเห็น ไม่ใช่ดูด้วยตาแล้วไอ้ดูด้วยตาก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งทั้แต่ถ้าเห็นในในความหมายว่าสันทิโกอากาลิโกก็ต้องรู้สึกด้วยใจต่อสิ่งนั้นนั้นมันไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกผัสสะกันเสรยทุกๆุกคน ท, กทุกทท่านที่เล่ามา้าาใจว่าไม่เคยสนใจและไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกผัสสะในลักษณะอย่างนี้โดยซ้าไป จริงว่าต่อไปนี้ก็ขอให้ไปทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าพัพรรษาจะให้ถูกต้องและให้เพียงพอมันเคยสมบูรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ขาดขาดหย่อนหยอนั้นใช้ไม่ได้ต้องให้สมบูรณ์ที่เรียกว่าเพียงพอแล้วก็ถูกต้องด้วยมันต้องถูกต้องและทั้งเพียงพอแล้วก็ใช้ได้บางที่ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอก็มี รู้อะไรจังรู้ให้ถูกต้องแล้วก็รู้ให้เพียงพอมันไปรู้จักสิ่งที่มันมีอยู่กับเนื้อกับตัวกับชีวิตทุกวันวันนึงไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งเดี่ยวผัดสาทางตาเดี๋ยวผัดสาทางหูอแล้วก็เรื่องที่จะมาให้ผัสสาก็มากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างในชีวิตประจําวันมันก็มีผัดสาหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างแล้วก็ผัดสาทุกทีโง่ทุกทีใช่ไหม นี่มันจะเป็นนิสัยจะได้ภาษาทุกทีมันโง่ทุกทีวัดวัดด้วยอะไรถ้าไปชอบใจก็โง่ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่โง่ก็โง่นะชอบใจก็โง่ไม่ชอบใจก็โง่ทําไมจะต้องไปโง่ให้ชอบใจหรือไปโง่ให้ไม่ชอบใจฮะแล้าภาษาของเราดูเหมือนจะได้ผลแต่างนี้ทางนั้นไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นน้อยครั้งที่ว่าผัฒนาจะทําให้เราฉลาดขึ้น ผัดซ่ามิได้ทำให้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจนั่นจึงต้อ ง, องเข้าอากาศพูดว่าผัดซาทุกทีแลว้วก็โง่ทุกทีโง่จนเป็นนิสัยนิสัยที่จะกินดีกินร้ายนิสัยที่จะชอบใจนิสัยที่จะไม่ชอบใจมันมีแคแต่อย่างนี้มันไม่เห็นว่าเช่นนั้นเองฉชนนั้นเองกูไม่เอากับมึงกูไม่ยินดียินร้ายกับมึงทําให้ไม่เกิดผัดซาอย่างนี้บ้างะ นี่มันเป็นผัสสะโดยวิชาสูงสุดเนอะพราศึกษาเรื่องเช่นนั่นเองมาเพียงพอเรื่องอีทัปัจจตาเนี่ยศึกษาเพียงพอหรือจะเรียกว่าเรื่องตาทาตาก็ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันจะทําให้อามันเช่นนี้เองนี่เรื่องดีเรื่องเชื่อเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ่เรื่องเช่นนั้นเรื่องกาดทุนเรื่องกำไรกี่ร้อยกี่พันเรื่องมันเป็นกระแสแห่งอีทัปัจยตาและเป็นเช่นนั่นเอง เราไม่ไปยินดีให้เสียเวลาไม่เป็นยินร้ให้เสียเวลาถ้ามันอร่อยที่สุดโอ้ก็มันเท่านั้นเองแหละมันเช่นนั้นเองมันอร่อยเพราะมันบมันเป็นเช่นนั้นเองจะไม่ไปยินดีกับมันเพียงแต่รู้ว่มันอร่อยก็พอแล้วถ้ามันไม่อร่อยก็มันเช่นนั้นเองจะไปโกรธขัดใจกับมันทําไมมันเป็นเช่นนั้นเองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องกําไรเรื่องขาดทุนกี่กี่กี่เรื่องกี่กี่คู่ ดูเมื่อในหนังสือจิตวิทยาของพวกฝรังเขาก็ารวมรวมมาไว้เป็นคู่คู่ที่สําคัญสําคัญประมาณสามสิบเจ็ดคู่ก็ไม่หมดหรอกไม่เชื่อไม่หมดข้อมาจากที่น่าสนใจน่าศึกษาสามสิบเจ็ดคู่ที่มาตั้งแต่ว่าเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องขาดทุนเรื่องกําไรเรื่องเสียเกียรติเรื่องมีเกียรติเป็น ค, ค, คู่คู่คู่คู่ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ อทุกคู่นะมันเรื่องหลอกให้โง่นั่นแหละหลอกให้โงงฝ่ายโพสิทีฟก็หลอกให้โง่ฝ่ายโพสิทีฟฝ่ายนกเกตีฟก็หลอกให้งหงฝ่ายนกเกตีฟมันมีแต่โพสิทีฟกับนักเกตีฟแต่ในความรู้สึกขอ ง, ของคนธรรมดามันไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางว่าเช่นนั่นเองไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความหมายโพสิทีฟหรือนกเกตีฟ คนนั้นก็พลอยเป็นคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปไม่เป็นออปติมิสต์เห็นแต่รู้สึกจะด้านดีไม่เป็นเพสซิมิสต์รู้สึกจะด้านด้น ist, ด า, นดานเลวน่นั่นคือคนโง่ทั้งทั้งคู่ทั้งพจอ์ทั้งเพสติมิสต์นะครับเพสติมิสต์คือคนโ ง, ง่มองไปเห็นด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งว่าดีว่าไม่ดีว่าว่าว่าว่าเชื่อ ว, ว่าดี ไอ้คนชลาเขาจะมองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั้นเองบางทีก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะดีโดยส่วนเดียวจะชั่วโดยส่วนเดียวก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งเดียวกันถ้าเรามองในแง่หนึ่งมันไม่ดีถ้ามองในแง่หนึ่งมันดีก็มีนะฮะคือมันมีประโยชน์ก็มีนั่นจะไปบัญญัติมาอะไรดีโดยเด็ดขาดอะไรชั่วโดยเด็ดขาดนั้นไม่ถูกแน่มันมันมันมองด้านเดียวเกินไป แล้วถ้ามองถูกถมองถูกที่สุดแล้วก็โอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นคาพจ้าจาึงไม่ไปหลงรักอะไรไม่ไปหลงเกลียดอะไรเรียกในศาสาธรรมะว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายธรรมะเช้นละเอียดเขาเรียกว่าไม่มีอภิชาไม่มีโทมนัส ในบาลีมหาสิประทานสู่ท่นานใช้คําคู่คู่นี้ว่าไม่มีอภิชาไม่มีโทมนัสอภิชาคือเพ่งเล็งจะเอาส่วนโทมนัสที่ถอยกลับผัดใจเสียใจแห้งใจเป็นทุกข์มันมีอยู่ที่ว่าจะยื่นเข้าไปเอารู้จะถอยกลับมาเสียใจคู่คู่มันมีอย่างนั้นอืถ้าเป็นผู้รู้เรื่องขัตตะดีก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้น เขาจะรู้สึกว่ามันเช่นนั่นเองมันมีกฎเกณฑ์ของความเป็นเช่นนั่นเองถ้าเราต้องการอย่างไรแล้วก็ทำให้มันถูกเรื่องอย่างนั้นเรื่องเช่นนั้นของของชนิดนั้นมันคือทาให้ถูกกับเรื่องสถาตาของฝ่ายนั้นหรืออิทัิปัจจตาของฝ่ายนั้นนั้นก็จะได้ตามที่ที่จะได้ทีนี้มันมีอยู่แต่ว่า ได้มาทำไมอ่ะได้มารักหรือได้มาโกรธได้มาเสียใจได้มาดีใจมันก็ไม่ถูกมันเอาแต่ชัว่ามันเป็นประโยชน์ที่ควรจะได้แล้วก็ทำมันก็ได้ถ้าทำถูกตามกฎของอิทธิปัจจตาแต่ถ้ามันมีผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวมันก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองเหมือนกันก็ทำใหม่ก็แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องตามกฎของอิทัิปัจจตามันก็ต้องได้ แต่ว่ามันมีความละเอียดลึกลงไปอีกทีหนึ่งว่าคำว่าได้ได้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความฉลาดความจริงอมันเป็นความคิดอของจิตที่ยังมีตัวตนถ้ามันมีตัวตนแล้วมันจะรู้สึกว่าได้หรือไม่ได้้เรื่องได้หรือเรื่องไม่ได้นี่ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นแหะยังโง่อยู่ดีอ่ะมันต้องมีจิตรู้สึก อยู่เหนือความได้ด้วยความไม่ได้ก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราต้องการจะมากินก็ทําให้ถูกกับเรื่องที่ได้มาแล้วก็กิกนกินแล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องมีว่าไม่ไม่ไม่มีปัญห า, าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าอร่อยก็เช่นนั้นเองไม่อร่อยก็เช่นนั่นเองมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่ากินเข้าไปแล้วหล่อเลี้ยงร่างกายี่มันตั้งอยู่ได้ชีวิตรอดอยู่ได้เขาจึงมีแต่ปกติ จิตปกติจิตเป็นกลางกลางจิตจิตเป็นปกติโดยไม่ไม่มีปัญหายินดียินร้ายไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจดีใจก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งเสียใจก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งไม่ค่อยดูกันให้ดีๆแล้วก็ชอบดีใจกันนับหัวเราะจนไม่รู้จะหัวรเราะกันยังไง ถ้ามันไม่รู้ว่าดีใจนั่นคืออะไรถ้าดูวยดีก็จะรู้สึกว่าเป็นความกดดันชนิดหนึ่งมันจึงดีใจดีใจดีใจวก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะดีใจแล้วก็เสียใจเพราความกดดันตรงกันข้าวแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพเสียใจดีใจนักก็กินข้าวไม่ลงเสียใจนักก็กินข้าวไม่ลงนี่เรียกว่ามันบ้าเท่ากันเ ให้ความดีใจหรือความเสียใจนะอย่าเอากับมันเลยเอาอยู่ที่ตรงกลางดิทำไมก็เช่นนั่นเองทำไมจะต้องไปดีใจเสียใจที่ความหมายแปลออกไปเช่นว่าเกลียดหรือกโกรธหรือกลัวทรืกลัวอย่างนี้ก็ไม่ไม่ต้องกลั ว, ลวให้มันผีมันออกมาในหน้าตาอย่างไรมันก็เช่นนั่นเอง สางกระแสทับปัสตานั่นเองของผีมันเช่นนั่นเองแล้วจะต้องไปกลัวผีทํำไมให้ผีที่น่าเกลียดน่ากลัวชนิดไหนโคลงมาฉั น, น ก, ก็ไม่เลยกลัวหรอกเพราะมันเช่นนั่นเองมันเป็นทับปัสจจตในรูปแบบนั่นเองก็ไม่ต้องกลัวสิเนี่ยถ้าว่ารู้ให้ธรรมะ ต, ตาทาตาหรืออ่านนัตตาอะไรก็ตามมันจะไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทุกอย่างทุกประการ ไม่เกลียดอะไรไม่กลัวอะไรถ้าถึงที่สุดมันไม่ขยักขยแยงอะไรไอสิ่งที่น่าเกลียดน่าส ก, สกรปรกขยักขยแยงมันก็ไม่มีมันพ้นไปจากความรู้สึกว่าสกรปรกหรือสะอาดนื่ <c oughs> นแต่เรื่องนี่พูดไปจะจะไม่มีใครเชื่อกันได้หรือไม่มีใครต้องการก็ได้แล้วมันจะให้โทษก็ได้ แต่ถ้าว่าพูดไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัิปัจจิตาแล้วมันไม่มีเรื่องศกกรโรกระหรือเรื่องสะอาดทั้งความรู้สึกว่าศกรปรกหรือความรู้สึกว่าสะอาดเนี่ยมัน ม, มันมีแต่ในคนที่ยังไม่เห็นอิทัิปัจจิตาคือคนธรมนธรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยแต่ถ้ามันเลวมากกว่า น, นั้นมันก็เห็นศกรปรกเป็นสะอาดเห็นสะอาดเป็นศกกรโกรกล่าวกันเสียก็ได้แต่ถ้ามันถูกต้องแท้จริงแล้วมันก็ไม่มีความหมาย ว่าสกรปรกหรือสะอาดดังนั้นเราจึงไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อะไรเกี่ยวกับเรื่องสกปรกหรือเรื่องสะอาดแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเรื่องสกปรกมันให้โทษเราก็ไม่ไม่เราก็ทําไม่ให้ไม่ให้ให้โทษก็แล้วกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าสะอาดหรือสกปรกนันจะปล่อยสกปรกมันเกิดโรคเกิดให้โทษแล้วก็ทําเพื่อป้องกันในส่วนนั้นแต่ไม่หลงไหลในความหมายของคำว่าสะอาดหรือสกปรกสําหรับจะอูดกัน เรื่องสวยเรื่องไม่สวยก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกันไปหลงเรื่องสวยมันก็เป็นทุกข์แบบหนึง่งไปหลงเรื่องไม่สวยมันก็เป็นทุกข์แบบห น, นึ่งนี่มันสัมผัสผิดมันเกิดทิฏฐิผิดเพราะการสัมผัสในสิ่งนั้นนันที่เรียกว่าปัจจะเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิแล้วก็เป็นทิฏฐิผิดทั้งนั้น ถ้ามันไม่มีวิชาเข้าไปรวมอยู่ด้วยนี่เรื่องทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์ตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกที่ทุกหนทุกแห่งอมันมีปัญหาตั้งต้นขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าปัสสะยแล้คนเราก็จะเดือดร้อนด้วย ความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายไม่ใช่ความสงบแม้กระทั่งความสุขหรือความทุกข์ก็ไม่ใช่ความสงบถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ถึงจึงจะเป็นความสงบเหมือนเขาจี้ที่สีข้างข้างซ้ายมันก็จั๊กกะจี้จี้สีข้างข้างขวามันก็จั๊กกะจี้ มันไม่ถูกไม่ถูกจี้ให้จักกกะจี้นะั่นแหะจะดีกว่าในเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมาจี้ให้เกิดความรู้สึกในสองรูปแบบนั้นเราก็ไม่มีความ ส, สงบสุขคือไม่มีเสรีภาพไม่มีปกติที่จะเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> มันอยู่ตามนาจของกิเลส ข, ของอวิชชาของตัณหา <c oughs> ของไม้ความโง่ที่มันมาจากผัสสะนี่คือเรื่องผัสสะคำเดียวถ้าพูดให้จบแล้วก็คุณไม่ต้องไปกรุงเทพหรอพูดตั้งเดือนก็ไม่จบนี่พูดแต่หัวข้อของมันมันมีอย่างนี้รู้จักสิ่งสิ่งเดียวเท่า น, นั้นพอคือผัสสะที่มากระทบเราตลอดเวลา ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วส่วนมากคือแท่ทั้งหมดนั่นมันโง่ทุกทีมันมาสัมผัสก็เขา้าไปเราโง่ทุกที <c oughs> คือหลงยินดีหรือหลงยินร้ายมีสองอย่างไม่มีไม่ทําไม่ได้ศึกษามาอย่างเพียงพอไม่รู้โอ๊ไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้ได้แล้วก็พิเศษ เรี <c oughs> ยกว่าเป็นผู้รู้เท่าทันผัสสะความทุกข์เกิดแก่จิตเนี่ยเพราะทำผิดเรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่โผลโ่ถ้าไม่โง่งเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะทีนี้ปัญหาต่อไปอีกหน่อยบางที่มันเกี่ยวข้องกันน่ะ นั่นก็คือว่าใครเล่าที่จะเป็นผู้รู้ผู้รู้รู้เรื่องนี้จะผู้รู้ผิดรู้เรื่องผิดรู้เรื่องถูกรู้เรื่องยินดีรู้เรื่องยินร้าย <c oughs> เพราะว่าจิตมันดวงเดียวจิตไม่ใช่สองดวงดวงหนึ่งดีดวงหนึ่งชั่วคอยต่อสู้กันมันไม่มี <c oughs> มันมีจิตดวงเดียว <c oughs> บางเวลามันโง่บางเวลามันฉลาดบางเวลามันดีบางเวลามันชั่วจิต ด, ดวงเดียวมันก็มีคนคนเดียวนะแล้วใครจะเป็นผู้ทำให้ผิดหรือทำให้ถูกหรือจะป้องกันความผิดมันน่าหัวเรื่องนี้มันหน้าหัวที่ว่าคนคนเดียวละมันก็เป็น ทั้งสองฝ่ายไอทําผิดเป็นทุกข์มันก็จิตดวงนั้นไอ้ทําถูกไม่เป็นทุกข์มันก็จิตดวงนั้นถ้าจิตดวงเดียวนั้นมันจะสามารถทังขนาดทําถูกอ่าไปได้อย่างไรอ่นี่คือการอบรมมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่แรกๆเราเกิดความ ร, รู้สึกผิดเกิดความ ร, รู้สึกถูกอสลับกันมาแต่จะพอรู้สึกได้เองว่าถ้ามีความ ร, รู้สึกถูกมันก็ไม่มีปัญหามันก็สบายดีแต่พอความ ร, รู้สึกผิดมันก็ผิดมันเกิดทุกข์ที่จิตดวงเดียวเนะี่ะมันมันมันค่อยมันมันมันค่อยคอ ย, คอยรู้ขึ้น เกิดมาทั้งสองอย่างความรู้ของจิตก็เรียกว่าเจตสิกค่อยๆเกิดขึ้นมา อ, อย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกเรออื่อยๆมาเรื่อยๆมาจิตที่อยู่ตรงกลางดวงเดียวนะมัน <c oughs> มันค่อยๆรู้กันพร้อมขึ้นมาทั้งสองอย่างจนกว่ามันจะฉลาดพอ ที่มันจะดำรงไว่สำหรับที่จะให้เกิดแต่ความรู้ถูกฝ่ายเดียวมันเป็นการสร้างสร้างนิสยัยสร้างความเคยชินว่าจะไปทางไหนจะไปทางผิดหรืจะไปทางถูกในข้างคนพาณอันธพาณมันก็เปิดโอกาสไ้ฝ่ายผิดเรื่อยไปจนผิดผิดผิดแกงผิดเร็วผิดผิดเป็นนิสัยเลยถ้าฝ่ายบัณฑิต มันก็ถูกถูกถูกถูกจนเป็นนิสัยเลยที่คนธรรมดาบางเวลาจึงเป็นคนพาลบางเวลาจึงเป็นบัณฑิตมันแล้วแต่ว่าจิตมันได้ฝ่ายข้างไหนฝ่ายข้างพาลหรือบัณฑิตมาเป็นผู้ยึดครองเป็นผู้บัญชาการนี่เราจะต้องฝึกคือจิตนี่แหละต้องฝึกไม่ใช่เราที่ไหน เราในที่นี้คือจิตเมื่อจิตมันรู้อย่างนี้จิต ท, ที่เป็นเรามันก็จะค่อยๆน้อมไปในทางที่จะถูกต้องหรือไม่เป็นทุกข์มันเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ขึ้นมาทิละอายต่อความทุกข์ความชั่วขึ้นมามันก็น้อมไปในทางที่จะเกิดความฝ่ายถูกต้องเพราะมันจึงง่ายที่จะเกิดความถูกต้อง จิตชนิดนี้มันก็เดินไปแต่ในฝ่ายถูกต้องหรือถ้ามันทำผิดพลาดไปมันก็สำนึกตัวเร็วทันควันเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีสลัดไอเจตสิกชั่วเจตสิกเร็วออกไปจากจิตเจตสิกดีอะายถูกมันก็เกิดขึ้นมาแทนเอามันก็กลับถูกทั้งที่ผิดก็ไปครึ่งหนึ่งเล่ามันยังมีโอกาสที่จะถอยกลับมาถูก นี่คือความยากที่สุดของธรรมะของการปฏิบัติธรรมะเพราะมันมีจิตดวงเดียวไม่ใช่มีจิตสองดวงที่จะคอยต่อสู้กันเมื่อเราก็ถือหางไว้ข้างหนึ่งในตัวเรามันก็ไม่มีตัวเราก็คือจิตนั่นเองจะจิตดวงเดียวแสดงละครสองเรื่องพร้อมกันไปอย่างนี้มันยาก ถ้าไม่ไม่มีการฝึกฝนมายัางถูกอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเกิดแต่อ้อนไต่ออกแล้วมันก็ยากะที่จะเป็นไปจะในทางอฝ่ายถูกต้องโดยส่วนเดียวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ละถ้ามันมีแต่ความถูกต้องโดยส่วนเดียวมันก็ไม่รู้จากความผิดพลาด <c oughs> ดังนั้นมันต้องรู้มาสองอย่างพร้อมๆกันมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์คู่คูคคคู่่คู่กันมา เมื่อมันรู้จักทั้งสองอย่างดีแล้วมันรู้จักเลือกเองครับทนจะเอาแต่ฝ่ายนีมทีนี่มันก็รู้จักระมัดระวังจิตก็มีนิสัยน้อมไปในทางที่จะระมัดระวังอไม่ไม่ปรุงในเจตสิกประเภทเลวร้ายขึ้นมาเนี่ยพูดอย่างนี้ยเป็นพุทธศาสนา ไม่มีพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยไม่มีเทวดาผีสางที่ไหนจะมาช่วยไม่มีดวงดาวเพราะห์กรรมอะไรที่ไหนจะมาช่วยเถ้าะมันอยู่ที่พรรษามันโง่หรือฉลาดอืมนะจิตที่มันผ่านชีเวลามานานผ่านชีวิตมันนานมันก็คอยรู้ว่าทําอย่างไรท่านจึงจะปรุงไความรู้สึกที่ฉลาดขึ้นมากลายเป็นจิตที่ฉลาด เขาวางหลักไว้ให้ว่าจิตนี่เป็นกลางกลางไม่ใช่ดีไม่ใช่เชื่อไม่ใช่ง่หรือฉลาดแต่มันเป็นสภาพที่รู้ได้รู้ได้เร็วรู้ได้เป็นสิ่งที่รู้ได้รู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้ท่านมีคุณสมบัติในตัวมันเองเพียงว่ารู้นั่นแหะรู้ได้รู้เร็วรู้เก่งรู้เป็นสายพ้าแรบเลยแต่ผิดก็ได้ถูกก็ได้จิตนี้ต้องระลึกความอบรม ใครยังอบรมมันตัวมันเองอบรมมันผู้อบรมกับผู้ถูกอบรมเป็นคนคนเดียวกันเรื่องว่าเรื่องดีเมื่อผู้บคนฟังเขาไม่เชื่อเราผู้สอนกับผู้เรียนคนเดียวกัน <laughs> เรื่องว่าเรื่องดีจิตเป็นผู้อบรมจิตจิตไม่เป็นทั้งผู้ที่จะรู้สึกและถูกรู้สึกเป็นทั้งผู้สอนและเป็นทั้งผู้เรียน นันชีวิตแต่คนหลังมันเป็นมาอย่างนั้นมันมีการสอนการเรียนการสอนการเรียนมาด้วยจิตดวงเดียวจนจิตนี่มันรู้ไฟที่ดับทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด็กๆเกิดมามันรู้เมืไหร่นอมันไปจับมแมลงปองเล่นก็ได้มันไม่รู้นี่แต่ถ้าถูกมแมลงปองต่อยเอาหรืออะไรกัดเอาทีหลังมันก็ไม่เอาแล้วมันรู้แล้วมันฉลาดแล้วนะั่น เป็นอย่างนี้เรื่อยมาเรื่อยมาจนเป็นชั้นละเอียดชั้นในจิตใจแท้ๆว่าไอ้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกัดทุกทีไอ้ความคิดอย่างนี้เกิดแล้วไม่กัดมันก็เลยเรู้จักคิดรู้จักเลือดคิดแต่ในทางที่ไม่กัดทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ที่ว่าไอ้ผัสสะที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมันสอนจิต จิตเรียนสิ่งทั้งพวงโดยทางผัดสะจิตเรียนโลกทั้งโลกโดยทางผัดสะจิตเรียนอารมณ์ทั้งหลายโดยทางผัดสะ <c oughs> เกิดผัสสะที่หนึ่งมันก็ก็มีเรื่องมะนําผิดมันก็มันก็กัดเอาถ้าทําถูกมันก็ไม่ตัดนะจิตมันก็ค่อยฉลาดฉลาดขึ้นในทางที่จะไม่ตัดดังนั้นเราจึงเว้นอะไรมาได้มากมากมากมากพ <c oughs> อใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงที่สุด คือไม่อากจะเว้นในการเกิดกิเลสไป่เกดทุกข์กได้ดังนั้นจึงต้องมาเรียนจ <c oughs> ึงต้องมาศึกษาธรรมะในพระศาสนานี้ <c oughs> เพื่อช่วยง่ายข้าวที่จะรู้เรื่องละเอียดละเอียดละเอียดที่พระพุทธเจ้าค้นพบโดยการสัจจะรู้และนำมาสอน <c oughs> ถ้าจะเรารู้เองก็ต้องรออีก ไม่ไหวละนานเกินไปเราอาศัายการจัดสรูปของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับความรู้มาทันทีเอามาศึกษาเอามาายครวนให้มันเข้ารูปเข้าร้อยแล้วดับทุกได้มัน <c oughs> จำเป็นนะที่เราจะต้องเป็นสาวกเป็นสาวกสาวกครับอะไรว่าผู้ฟัง ให้ฟังสิ่งที่มีผู้พูดให้ฟังคือพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกแปล ว, ว่าผู้ฟังท่านฟังแล้วก็เอามาศึกษาแยกแยะคายค่วนเทียบเคียงพอเห็นลู่ทางว่าไอ้นี่ดับทุกข์ได้น่าจะลองดูสักนิดแล้วก็ลองดูเถอะ เรื่กระดับทุกข์ได้จริงเรื่อกเอ็เชื่อเชื่อเรืกรตุปฏิบัติมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนให้เชื่อทันทีสอนสาวกทั้งหลายว่าไม่ต้องเชื่อทันทีเราไปไข้ควรวญดูด้วยปัญญาอย่างดีตามที่เป็นจริงเรียกสมมับปัญญายะถาภูตะสมมับปัญญาปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริง เราไปค่ายควรดูก็จะพอมองเห็นข้าวเงื่อนเลยอันนี้ถ้าทําตามเขาแล้วมันจะไม่เกิดทุกข์อันนี้ไปทําข้าวแล้วจะเกิดทุกข์นี่มันพอเห็นข้าวเงื่อนอย่างนี้แล้วก็ไปลองดูไอ้ฝ่ายนั้นมันไปเกิดทุกข์จริงๆเหมือนกันไอ้ฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่เกิดทุกข์จริงๆได้เหมือนกันที่เราก็เชื่อนี่คือความรู้ที่ตั้งต้นรพระผัสสะ อันสุดท้ายคือผัสสะต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ผัสสะต่อความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้แล้วผัสสะให้เกิดสมาธิฐิให้เกิดการกระทาที่ดับทุกข์ได้ให้เกิดทุกอย่างที่เป็นไปในทางฝ่ายดีถ้าไม่มีผัสสะในชั้นนี้มันก็ไม่มีสมาธิธ <c oughs> มันก็ไม่มีความ แ น, น, น่นอนแน่ใจหรือต้องการที่จะดับทุกอโดยโดยหลักเกณฑ์อันนั้นเราผัฒนคือสัมผัสนแล้วก็สัมผัสโดยวิชาคือด้ยความรู้ที่ถูกต้องที่ได้สะสมมาได้เล่าเรียนมาแล้วก็สติเข้ามาทันเวลาที่สัมผัสสัมผัสเมื่อไรที่ไหนสติสจะต้องเอาความรู้ จะลึกเป็นความรู้ขึ้นมาให้ทันว่ามันมันมันเป็นอย่างไรที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าสติไม่ได้ลึกขึ้นมาในปัญญาก็เป็นหมันเป็นหมันอยู่คนบึง้งไม่ขึ้นมาช่วยอะไรได้อย่าอย่าอย่าอวดไปว่าไอความรู้มันจะช่วยได้มันต้องมีเครื่องให้ระลึกขึ้นมาให้ทันแก่เวลานั่นน่ะคือสติ เรามีความรู้มหาศาลแต่เป็นหมันก็ได้ถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องช่วยให้เราลึกขึ้นมาได้ทันเวลาครบถ้วนทุกเหตุการณ์สตินั่ะมันเป็นผู้ใช้ปัญญาเป็นผู้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีสติแนละ้วความรู้ทั้งหลายก็เป็นหมันมันอย่ารู้ถูกสติ อรรมาเคยพูดว่าอะไรอะไรมันสําเร็จอยู่ที่สติพวกฝรั่งบางคนเข้าไปเขียนล่ออยู่ก็มนี้ด่าด้วยเพูดโง่ององๆอะไรอะไรสำเร็จโดยส ต, <c oughs> ตกกกิก็ได้แล้วเพราะเขามองกันคนละทางอรรถมามองเห็นว่าถ้าไม่มีสติและปัญญาก็ไม่มีความหมายคไม่ใช่ไม่มีสติแล้วก็เราพัดสระโ ง, ท ง, ะงะ่ทั้งนั้นเลยผัดสระโง่ผัดสะอวิชชาทั้งนั้นเลย นั่นเมื่อมีมีสติอยู่ไอ้ผัสสะมันจะเป็นผัสสะลืมหูลืมตาฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ไม่ทาผิดกลายเป็นว่าไอ้เครื่องคุ้มครองป้องกันที่ดีที่สุดนั่นมันจะเป็นสติมากกว่าที่จะเป็นปัญญาเพราะว่าอย่างไรเสียในสติมันก็มีปัญญาอยู่บ้างตามสมควรแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะให้บัญญัต จำกัดความก็ว่าปัญญาเฉยๆเรียกว่าปัญญาปัญญาที่มาใช้งานใช้การอยู่นั่นคือสติปัญญาที่เก็บไว้เฉยๆคือปัญญาปัญญาที่มาใช้ทันเวลาต้องพรสษานี่คือสติเหมือนกับเงินที่เก็บไว้ในหีบกับเงินที่มาซื้อของอยู่ที่ตลาดนี่มันเหมือนกันไหม คนหนึ่งมันก็เหมือนกันกบเงินเงินในกั น, นเงินเดีกันแต่เงินหนึ่งมันเก็บอยู่ในหีบไม่ได้ไม่ได้ไดปใช้ประโยชน์อะไรเงินนี่กำลังซื้อของกินอยู่ที่ตลาดมันจะเหมือนกันอย่างไรได้เนี่ยเป็นวิธีพูดเราจะต้องทำให้ความรู้ของเราเหมือนกับเงินที่มาซื้อของอยู่ที่ตลาดไม่ใช่ฝากไว้ในธนาคารให้ <c oughs> ความรู้ที่มัน มันมากแล้วมันมันมันไม่มีประโยชน์อะไรก็มีมันก็เป็นความรู้เหมือนกันน่ะคือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะมันมันใช้ไม่ได้หรือเพราะไม่ได้เอามาใช้อืระวังให้ดีเออคนที่มีความรู้มากท่วมหัวเป็นน้ําชาล้นถ้วยเขาว่าได้แกับพวกครูบาอาจารย์พวกครูบาอาจารย์นี่มันใส่อะไรไม่ลงอีกแล้วมันเป็นน้ําชาล้นถ้วยความรู้มันเลยท่วมหัว เลยเลยเลยไม่มีประโยชน์อะไรความรู้มันท่วมหูท่วมหูท่วมตาท่วมอะไรเต่งเนี่ยเพราะมันไม่มีสตินั่นถ้าไม่มีสติแล้วผัสสะมันก็โง่แหละพัสสาผิดเรียกว่าอวิชชาสัมผัสผัสสะโง่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสพัสสะฉลาดเรียกว่าวิชาสัมผัส อันหนึ่งขึ้นในคำว่าวิชาอันหนึ่งขึ้นในคําว่าอาวิชาภาษาโง่ภาษะฉลาดคืออย่างนี้ภาษาโง่ก็เรียกว่าทําผิดในเรื่องภาษาความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทําผิดเรื่องภาษะถ้าทําถูกความทุกข์จะไม่โผล่เพราะไม่โง่เรื่องภาษะที่มีสติอยู่ ต, ตลอดเวลาความทุก เกิดไม่ได้เพราะเข้าใจเรื่องภัษาคำเดียวนะจำไม่ได้ก็แย่มากนะพูดคำเดียวแท้ๆว่าปัสตาปัตตาคำเดียวแท้ๆพูดส่งท้ายพูดปิดปิดเปิดบอลวันนี่ปิดบอลเลิกก็พูดส่งท้ายพูดสรุปพูดเป็นเข้มค้นที่สุดเลเหลือแต่คำคำเดียวว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักแปควบคุมได้นะั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผัสสะควบคุมไม่ได้ก็เกิดทุกข์ควบคุมได้ก็ไม่เกิดทุกข์สติกับปัญญาเนี่ยจะควบคุมผัสสะสติเป็นผู้ใช้ปัญญาปัญญาเป็นเครื่องอุปกรณ์ให้สติมันใช้ แล้วก็ควบคุมภาษาได้เรามีภาษาถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนั้มันคงจะหน้าหัวที่ว่าเรื่องมันมีเทา่านี้แล้วเราไปทำมันมากมากมากมากจนศึกษากันกี่ปีกี่ปีก็ไม่จบไม่รู้ใครมันบ้าเรื่องมันมีเท่านี้เ้าจะมาบ้าก็ได้พวกพูดไม่รู้ จ, จบ ผู้เรียนเรียนากก็ได้เพะเรียนกันไม่รู้จักจบฟังกันไม่รู้จักจบทั้งที่เรื่องมันมีนิดเดียวเท่านี้คือผัรษาคำเดียวครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายมีเท่านี้ผัรษาคำเดียวพอขอยุดติการบรรยายส่งท้ายหรือว่าปิดประชุมในชั่วโมงแล้ว พูดเกินชั่วโมองเดี๋ยวเกิดผัดสาร้ายขึ้นมัาอีก